วันนี้เราจะเดินไกลกว่าเมื่อวานนะอาจะเกือบเท่าตัวเลยคือประมาณสิบเจ็ดกิโ ล, ลถ้าที่นี่เป็นที่สูงและจุดหมายปลายทางของเรานะเป็นที่ต่ำเนี่ยมองไปก็คงจะเห็นจุดหมายปลายทางของวันนี้นี่หรือว่า อยู่ไกลลิบเลยอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆแต่มันจะไกลแค่ไหนนะถึงเวลาเดินเราก็อย่าไปสนใจนะจุดหมายปลายทางจะไกลแค่ไหนถึงเวลาเดินใจก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เคยเดินเคยยับ เพาะถ้าจุดหมายถ้าใจเราไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางนะยิ่งไกลเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งท้อแล้วก็ทุกข์บางทียังไม่ทันก้าวเดินเลยก็หมดแรงซะละโอ้โหมันไกลนะวิถีที่จะบัทอนจิตใจตัวเองนะก็คือสนใจจุดหมายปลายทางข้างหน้า ยิ่งขณที่เดินเนี่ยอากาศร้อนนะแดดแรง <c oughs> พอใจเราไปจดจ่อยอยู่ที่จุดหมายปลายทางนะให้ความทุกข์ความทมรมันก็โผล่มาลบกวนรังควานใจเราเลยอนี่คือวิธีที่จะบัณทอนจิตใจของเราคือปล่อยใจให้ไปอยู่กับจุดหมายปลายทางข้างหน้าถ้าไม่อยากบัณทอนจิตใจนะ ให้ดึงจิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะปัจจุบันในที่นี้คืออยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าอยู่กับแต่ละก้าวที่กำลังเดินเมื่อเดินแล้วเนี่ยให้ลืมจุดหมายปลายทางเอาไว้ ลืมมันไปเลยสนใจแต่เท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวนะและเราจะพบว่าการเดินไม่ว่าไกลแค่ไหนมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายมีนักปีนเขาคนมนึงชื่อบรูซเคิร์กบีนะแกปีนเขาที่สูงที่สุดในทุกทกวีปมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยเรียกว่าโชคโชนกละการปีนเขา เนสรุปบทเรียนจากการปีนเขาไว้สั้นๆ น, นะว่าทุกอย่างบักดูน่ากลักว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลจุดหมายปลายทางเนี่ยถ้าเรามองจากที่ไกลเนี่ยยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวแล้วก็ทาให้เราหนักใจหรืออาจจะท้อขึ้นมาเลย แล้วเขาเพบว่าวิธีการปีนเขาที่ที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายด้วยก็คือไม่ต้องสนใจยอดเขาสนใจแต่พื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ก้าวไปทีละกล้าวถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยถึงแน่แต่ถ้าหากว่าไม่ทันเดินเลยนะ สนใจที่ยอดเขามันจะท้อเลยนะเพราะสู่หัวสูงลำบากชันนักปีนเขาที่เก่งนี่เขาแม้เขาตั้งใจจะไปถึงจุดหมายคือยอดเขาแต่เวลาลงมือลงมือเดินนี่ลืมไปเลยนะจุดหมายลืมไปเลยนะยอดเขาแค่สนใจกับ พื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าวทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นวิธีการเดินทางไกลเหมือนกันนะแล้วก็เหมาะสำหรับชาวธรรมญาติตรามากจุดหมายมันจะอยู่ที่หมู่บ้านใดไกลแค่ไหนนะลืมมันไปก่อนขณะที่ลงมือเดิน แต่ใจเรานะมันจะไม่ค่อยยอมมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่นะมันจะคอยพิจดจณ์อยู่ที่จุดหมายปลายทางอยู่นั่นแหละแล้วก็จะบน่นว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงคำบนหรือตีปพยตีพายหรือว่าแค่ความคิดอยากให้ถึงไ ว, ไวัยเท่านี้แหละมันก็เล่นงาน จิตใจแล้วก็ซ้ําเติมร่างกายของเราเพราะว่าจะเกิดความวิตกกังวลจะเกิดความร้อนใจหลายคนส่วนใหญ่ไมไ่รู้เลยนะว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยนะมันไม่ใช่ทุกเพราะว่าแดดร้อนเพราะทางไกลแต่เพราะใจที่วางไว้ไม่เป็นต่างหาอารมณ์ที่บันทอนจิตใจแล้วก็สร้างความรุกแังกับกายเนี่ยนะมีหลายอย่าง เช่นความวิตกกังวลความกลัวรวมทั้งความโกรธความหงุดหงิดไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปซ้ำเติมกายนะให้ทุกข์มากขึ้น้มีการวิจัยพบ ว, ว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยพอถูกเข็มจิ้มไปที่แขนหรือว่าที่นิ้วก็ตามเนี่ยจะรู้สึกเจ็บ กว่าตัวฤทสิ์ุเจ็บเป็นสามเท่าของคนที่ไม่ได้กลัวเข็มฉีดยาคนที่ไม่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาก็เจ็บก็แค่เจ็บกายเจ็บนิ้วส่วนคนที่กลัวเนี่ยนะมันจะมีความทุกข์ใจด้วยแล้วทําให้ความเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกสองอเจ็บนิ้วอีกหนึ่งนะ เจ็บใจนี่อีกสองรวมเป็นสามมาู้อย่างนี้คือว่าความทุกข์เนี่ยหรือความเจ็บมันจะคูณสามนะเมื่อมีความกลัวจะไม่ใช่แค่ความกลัวนะความโกรัก็เหมือนกันนะความโกรธ ถ, ถ้าเกิดว่าเอาความโกรธเนี่ยให้มันหลุดไปจากใจนะ ความปวดเนี่ยก็จะน้อยลงมีผิวของคนหนึ่จะเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็ง เ, เงต้านมแล่แกก็ได้รับการฉายแสงได้รับการฉีดเคีมโมตามโดสตามสูตรนะนะครบโดสแล้วแกก็ยังบ่นว่าปวดปวดปวดแต่หมอสังเกตเวลาแกเดินแกเดินเป็นคนปกติเลยมันก็ไม่มีความปวดอะไรเลย วันหนึ่งพยาบาลก็เลยมานั่งคุยกับเธอแต่ส่วนใหญ่แล้วเธอเป็นฝ่ายคุยมากกว่าและเรื่องที่พูดก็วนเวียนอยู่กับเรื่องสามีเรื่องกับเรื่องลูกโกรธน้อยใจสามีและลูกที่ไม่มาเยี่ยมเยิยนไม่สนใจเธอเลยเพยาบาลก็ฟังอย่างเดียวฟังด้วยความใส่ใจไม่ได้เมือยลอยนะฟังด้วยความใส่ใจไม่ได้แนะนําอะไรได้ซ้ํา แต่หลังจากที่เธอพูดเธอระบายไปชั่วโมงหนึ่งเธอก็พบว่าความปวดนี่มันมันหายไปเยอะเลยแล้ความปวดนี่มันหายไปเพราะว่าะความความโกรธคือพอระบายแล้วเนี่ยความโกรธก็บันเทาลงพอบันเทาลงความปวดก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยแสดงว่าไอ้ความปวดก้อนใหญ่ ก็คือความโกรธหรือเกิดจากความโกรธพอความโกรธหายไปนะความปวดมันก็หายไปด้วยหรือแต่ความปวดแท้ๆที่เกิดจากะมะเร็งอีกส่วนหนึ่งเกิดจากใจนะที่มันกลัวหรือใจที่มันโกรธเวลาเราเดินเนี่ยลองสังเกตดูนะว่าถ้าเราเดินด้วยใจที่วิตกกังวลใจที่ กลัวนีกลัวเท้าพองกลัวหน้าเป็นฝ้าหรือว่ากลัวสารพัดเนี่ยกับเวลาเราเดินปกติเนี่ยใจปกติเนี่ยความทุกข์มันต่างกันเยอะความปวดมันต่างกันเยอะ เ, ยเราสังเกตรหรือเปล่าเวลาเราเดินในใจเรามีความวิตกใจเรามีความหนักอกหนักใจใจเรามีความโกรธ นะความโกรธจะไมไ่เป็นโกรธแบบโวยวายนะแต่มันมีความไม่พอใจอยู่ข้างในมันมีความขัดเคืองอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นความโกรธชนิดหนึ่งนะเรียกว่าโทสะนะหรือว่าปฏิฆะไอตัวนี้แหละนะที่มันไม่เพียงแต่ทำร้ายจิตใจให้รุมร้อนแต่มันยังไปเพิ่มความปวด ให้กับกายของเราด้วยก็จะรู้สึกว่าปวดเท้ามากขึ้นปวดไหล่มากขึ้นนะลองฝึกใจของเราดูนะให้ใจเราเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าหรือว่าอยู่กับความกลัวอยู่กับความขุนเคือง กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเดินด้วยความรู้สึกตัวหรือกลับมาอยู่กับกายก็ได้เวลาเดินก็รู้ว่ากายกําลังเคลื่อนไหวหรืออย่างนึงคือรู้ตัวว่ากําลังเดินอยู่ถ้าเรารู้ตัวว่ากําลังเดินเนี่ยนะ ความปวดมันจะทุเราลงไปเพราะว่าตอนนั้นความปวดความกลัวมันจ ะ, ะหายไปมันก็มีความปวดนะมีความร้อนกายแต่ว่าใจไม่ร้อนให้ฝึกดูกายนะ น, นีนพูดพูดแบบภาษาธรรมะคือดูกายก็คือรับรู้ว่ากายกำลังเดินเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหว เมือเ่อใจเผลอคิดนึกไปนะนึกไปถึงจุดหมายปลายทางเมือ่อไหรจะถึงเมือ่อไรถึงก็รู้ทันเพียงแค่รู้ทันเนี่ยใจก็จะกลับมาเป็นปกติเรารู้ทันได้เพราะเรามีสติเมื่อเรารู้ทันใจว่าใจกําลังคิดนึกไปใจมันก็กลับมาเป็นปกติกลับมาอยู่กับกายก็จะรู้กายเคลื่อนไหวเหมือน เหมือนมาสักครู่นะสักพักเดี็กก็เผลอไปอีกนะไปล้วไปที่จุดหมายไปทางแล้วเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงพอรู้ทันปุ๊กอ่ะมันกลับมาที่กายกลับมากับกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเกิดความรู้สึกตัวอันนี้เป็นการฝึกนะการเดินธรรมญาตานี่จริงก็คือการฝึกสตินั่นแหละแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะหรือว่า บีบคั้นให้หันมาใช้สติในการมาช่วยกายการเดินธรรมยตาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคนะือะแยะนะซึ่งก็เป็นธรรมดาเวลาเราเดินเนี่ยจะพึ่งอะไรก็พึ่งไม่ได้นะบางทีจะหวังพึ่งเมฆก็พึ่งไม่ได้จะหวังพึ่งร่มไม้ก็พึ่งไม่ได้เพราะว่าทางนะ เป็นทางที่โ่่งโรง่งกว้างจะพึ่งพัดลมพึ่งแอร์ก็พึ่งไม่ได้ครั้นจะหนีออกจากอากาศที่ร้อนหนีออกจากการเดินก็หนีไม่ได้นะมันจะเหลืออยู่อย่างเดียวที่พึ่งได้นะก็คือใจ ในสถานการณ์อย่างนี้แหละที่มันจะบังคับให้เราเนี่ยหันมาใช้ใจให้เป็นประโยชน์ก็จะให้ใจเนี่ยมาช่วยนะบรรเทาความทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกอื่นใดเหลืออยู่นะถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็เปิดพัดลมเปิดแอรนะ์อยู่บนถนน อากาศร้ก็เข้าห้างสปปรรพสินค้านะแต่ว่าอยู่บนทางยาวไกลแดดร้อนจ้ามันไม่มีทางหีไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากจิตใจนะหรือถ้าพูดกว้างก็คือ น, นอกจากธรรมะนะเช่นสติ ให้สตินะให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยให้ใจมันเพ่นพ่านเพราะว่าใจเพ่นพ่านเมื่อไหร่มันจะเอาความทุกมาให้แล้วก็จะซ้ำเติมตัวเองบางทีใจไม่ได้อยู่กับจุดหมายปลายทางจนทำให้เกิดความรู้สึกกังวลรู้สึกวิตกขุนเคืองที่ไม่ถึงไม่ถึงสักทีบางทีใจมันไปจดจ่อยที่เท้าที่เจ็บนะ จมันไปจดจอยอยู่กับความเจ็บความปวดแล้วก็ปักตึงอยู่ตรงนั้นแหละก็ยิ่งปวดเข้าไปใหญ่เวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยเพราะความเจ็บความปวดความร้อนเนี่ยเราไม่ค่อยสังเกตนะใจเราเนี่ยเป็นเพราะใจเราถ้ามันไม่ใช่ปรุงแต่งนะกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันก็มาจดจ่อปักตึงอยู่กับความเจ็บความปวดและนั่นแหละ จะทำให้ทุกจะทำให้ปวดมากขึ้นนะแต่ถ้าเราฝึกนะฝึกจิตวางใจเป็นนะมันจะไม่ยอมไปปักไปตรึงไปแบกความปวดเอาไว้นะมันจะแค่ดูเฉยเฉยแค่รู้เฉยเฉยอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะ นอกจากรู้กายรู้ใจแล้วก็ภาษาปฏิบัติเรียกว่ารู้ความปวดนะหรือว่ารู้เวทนาส่วนใหญ่ไม่ได้รู้เวทนานะักส่วนใหญ่เป็นเลยนะเป็นผู้ปวดเพราะจิตไปปักตึงนะทั้งที่ความปวดที่เราไม่ชอบนะแต่ทํำไมจิต ม, มันไปปักไปตรึงไปจดจอ่อหรือว่าไปยึดติดถือมั่นความปวดยิ่งไม่ชอบนะก็ยิ่งยึดติดนะ ยิ่งรังเกยียจก็ยิ่งจดจอ่อเวลาเราเกลียดใครเนี่ยไม่ชอบใครเนี่ยเราจ ะ, จะคิดถึงเขาบ่อยมากเลยเวลาใครด่าเราเราจะนึกถึงคำที่เขาด่านะหรือนึกถึงการกระทําของเขาเนี่ยซ้าแล้วซ้าเล่าเวลาใครคอมเมนต์นะในทางลบนะในเฟซบุ๊กนี่เราก็จะนึกถึงข้อความนั้นอยู่ซ้าแล้วซ้าเล่านั่นแหละทั้งที่นึกแล้วก็ทุก แต่ก็นึกอยู่นั่นแหละนะอันนี้ก็เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองอีกแบบหนึ่งนะเรานี่ซ้ำเติมตัวเองทำร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวที่จริงถ้ารู้ตัวมันไม่ทำนะถ้ารู้ตัวไม่ทำก็คือถ้ามีสติเนี่ยมันก็จะวางได้การบ้านที่อยากจะให้เราลองทำซึ่งอาจจะยากสักหน่อย ก็คือว่าเวลามันมีความปวดนี่ก็แค่รับรู้มันเฉยๆนะไม่ต้องไปจดจ่ออยู่กับมันไม่ต้องไปจดจ้องมันก็แค่รู้ว่าเท้าปวดก็พอนะแต่ว่าจะเป็นผู้ปวดแต่นี้ก็อาจจะยากอาจจะยากสนหน่อยสาหรับคนที่ไม่เคย เอาแค่เบื้องต้นก็นคือว่าเวลาเดินก็ให้รู้ตัวว่าเดินให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะใจมันเผลอไปอยู่ที่จุดหมายปลายทางหรือว่าไปอยู่กับความวิตกกังวลว่าเดี๋ยวเท้าจะพองเดี๋ยวเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่น ะ, ะกลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว รู้ทันใจเวลามันคิดนึกออกนอกตัวไปเรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนี่เป็นที่พึ่งอย่างเดียวก็ว่าได้นะของเราในขณะที่เดินกลางแดงแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินโดยที่ไม่ท้อไม่ถอยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งเดียว ความทุกข์มันจะบังมันจะมันจอกระตุ้นมันจะบังคับให้เราต้องหาทางออกโดยอาศัยใจเป็นที่พึ่งและวิธีการต่างๆก็จะออกมาเองนะไม่ใช่โดยการพูดคุยกันการพูดคุยมันก็ช่วยทำให้หายเจ็บหายปวดหรือลืมเจ็บลืมปวดไปได้แต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีการที่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ฝึกใจเราเลย ถ้าไม่มีเพื่อนคุยก็กลับมานะสู่ความทุกข์อย่างเดิมคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไปพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอนะก็จะไม่สามารถที่จะพาใจให้ออกจากความทุกข์ได้ถึงแม้ไม่เจ็บไม่ปวดถึงแม้ว่าอยู่ในที่ที่สบาย พอไม่มีใครเป็นเพื่อนคุยก็จะเกิดอาการอย่างนี้นะคือเหงาและเบื่อคนเดี๋ยวนี้นี่มีอาการแบบนี้บ่อยมากเป็นกันเยอะมากเนะี่ยเลยเพราะวัยรุ่นหนุ่มสาวเบื่อง่ายและถ้าไม่มีใครนะอยู่ด้วยแถมไม่มีโทรศัพท์มือถืออีกนะก็เหงาเป็นคนขี้เหงาขี้เบื่อ จะต้องหาเพื่อนคุยจะต้องมีคนอยู่ใกล้หลายคนเป็นจึงเป็นทุกข์เนี่ยไม่มีแฟนอยากจะมีแฟนแล้วพอมีแฟนแล้วผู้ชายก็ไม่ได้เรื่องนะเจ้าชู้เอาแล้วก็เปียบพูดจาดูถูกก็ยังทิ้งเขาไปไม่ได้เพราะกลัวเหงานะก็เลยต้องอยู่กับเขาให้เขาโขกให้เขาสับ์นะ อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของหนุ่มของสาวจำนวนมากห น, นุ่มก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหงาเบือ่อแล้วก็เลยไปหาเล่าไปหาอาบยามุกเป็นทางออกแต่ถ้าเกิดระวังใจเป็นนะอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุข หรืแม้จะอยู่ในสถาการณ์ที่เรียกว่ามีความทุกข์กายแต่ว่าใจก็เย็นได้ใธรรมยาตตานี่มันจะเป็นเป็นเป็นโอกาสให้เราได้มาเห็นใจของเราและตัณหกว่าใจเราเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมากแม้ว่าจะมีความทุกข์จากแดดนะจากหินที่ ทิ่มแทงเท้าแต่ว่าก็ไม่ทุกนะเพราะวางใจเป็นสามสี่ปีก่อนมีเด็กอายุเก้าขวบมากับแม่แกก็มีความทุกข์นะเพราะว่าเหมือนกับบงับงคับมาจําใจมาพ่อแม่พามาวันแรกก็ทุกวัเดินไกลวันที่สองก็ยังทุกอยู่แต่ทุกน้อยลง พอรู้ว่าบนไปก็ไม่มีประโยชน์นะเด็กเขาก็ฉลาดอที่สามเนี่ยก็ เ, เดินได้เมือว่าตัวเบาเลยวิชัยก็ไปถามไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยวันนี้เหนื่อยไหมแกบอกไม่เหนื่อยเลยครับทั้งที่เดินไกลนะไม่ได้น้อยกว่าวันกันก่อนเลยทําไมถึงไม่เหนื่อยแกก็บอกว่าก็ ตาก็คอยมองเท้าคนข้างหน้านี่วิธีการของเด็กเก้าขวบนะเวลาเดินเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะว่าใจตัวไม่เหนื่อยเพราะว่าใจเนี่ยนะมันไปอยู่กับไปจดจ่ออยู่กับเท้าของคนข้างหน้าก็เป็นสมาธิแบบหนึ่งนะเด็กค้นพบสมาธิว่าช่วยทําให้ไม่เหนื่อยแต่เด็กไม่รู้จักสมาธินะครับว่าสมาธิแต่เด็กรู้ว่าถ้าใจเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเท้าคนข้างหน้าเลยเนี่ย มันก็ลืมปวดลืมเมื่อยลืมเหนื่อยไป ใ, ใจนีนมีส่วนมากนะจะทําให้เราสุขหรือทุกข์ก็ได้เรามักจะไปโทษว่าที่เราทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นแดด ก, ก็ดีจะเป็นดินฟ้าอากาศก็ดีหรือความหนาวก็ดีแต่เราไม่ค่อยได้ตระหนักเลยนะว่าไอ้ตัวการสำคัญเนี่ยคือใจ ใจที่บนใจที่โวยวายนะใจที่ไปจดจ่อปักตึงอยู่กับทุกขเวทนาพูดง่าคือใจที่ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะไม่อยู่กับปัจจุบันสมาธิก็ช่วยเราได้นะสมาธิก็ช่วยเราได้นะไม่ว่าจะปวดยังไงนะถ้าใจมีสมาธิ มันก็ลืมความปวดได้เหมือนกันหรือว่าใจมันก็ไม่ไปปรุงแต่งนะกับอะไรต่ออะไรที่คอยซ้าเติมจิตใจหรือว่าทำให้กลายเป็นทุกขนะ์ลองหันมาใช้ใจของเรานะให้เป็นประโยชน์ให้ถือว่าไอ้ความทุกข์อุปสรรคนะที่เกิดกับเรานะมันเป็น มันเป็นครูสอนไม่ใช่ให้ใจเราเข้มแข็งอดทนมีขันติเท่านั้นนะแต่ว่ายังจะมีธรรมะอย่างอื่นที่จะช่วยทำให้ใจสงบเย็นด้วยเนะมื่อกี้เราได้สวดนะที่ผู้ใจตัดว่าเนี่ยได้แนะนำให้สาวกของพระองค์นะ ไปปฏิบัตินั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเรือนว่างในที่นี้ไม่ใช่เรือนที่ว่างๆแต่มันหมายถึงถ้านะหลายคนสงสัยทาไมอยู่กุฏิสบายๆแล้วไม่ดีเลอทําไมต้องให้ไปปฏิบัติที่โคนไม้นะในถ้ำนะอันนี้พระเจ้าก็ต่อไว้นะเพื่อว่า พวกเธอจะได้ไม่เป็นผู้ร้อนใจในภายหลังก็หมายความว่าลำบากวันนี้เพื่อสบายวันหน้าสบายวันหน้านี่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีกินดีนะแต่หมายถึงว่าใจเนี่ยนะสงบเย็นนะไม่ใช่เป็นผู้ร้อนใจนะถ้าสบายวันนี้นะต่อไปเนี่ยมันจะร้อนใจได้ง่าย เกิดสบายวันนี้เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะเพราะว่ายังหนุ่มยังสาวนะแต่พอแก่พอเจ็บพอป่วยพอไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่เรียกว่าทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจพูะเจ้าก็นะแนะให้พระสาวกเนี่ยได้นะฝึกปฏิบัติเรียกว่า ใสยทุตุลฆวันเนี่ยอยู่โคนไม้เนี่ยอยู่เรือนว่างหรือว่าถ้ำเอันนี้เป็นทุตุลฆวัตข้อหนึ่งนะมีหลายข้อมีทั้งหมดสิบสาข้อรู้แล้ว แ, ลแต่ลำบากทั้งนั้นลำบากเพื่ออะไรเพื่อจะได้วันหน้าจะได้เย็นใจเนีเราก็เหมือนกันนะการที่เรามาเจอความยากลาบากเนี่ย<ม>ก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ร้อนใจในภายหน้าเป็นผู้ที่มีจิตใจชุ่มเย็นน เรามาเดินธรรมญาตรานี่ไม่ใช่เพียงเพื่อจะเรีย ก, ร, ยกร้องวิงวอนให้ป่ากลับคืนมาน้ำใสกลับคืนมาเพื่อจะได้ชุ่มเย็นอันนั้นมันเย็นกายนะแต่ว่าเย็นในที่นี้นะยังหมายถึงเย็นใจด้วยเย็นใจเพราะมีธรรมะเย็นใจเพราะว่ามีน้ำใจนะไมตรี เดินธรรมยาตาแม้แด่จะร้อนนะแต่ว่าใจเย็นได้ถ้าเราวางใจเป็นแต่ถ้ายังไม่เป็นก็ไม่เป็นก็ฝึกเอานะจะมีเวลาฝึกอีกหลายวันให้ถือว่าอุปสรรคความยากลำบากนี้เป็นเครื่องฝึกใจเราหรือเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราเนี่ยหันมาตระหนักว่าที่พื้งฐานประเสริฐของเราเนี่ยก็คือใจใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะ ใจมีธรรมะเมื่อไหร่ใช่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อไหร่จะเป็นที่พึ่งประเสริฐมากเดินธรรมยกาตาเจ็แปดวันนี้อย่าให้ทุกฟรีนะบางคนนี่ทุกเนี่ยทุกฟรีๆเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในเรื่องของจิตใจอันนี้ไม่ใช่จุดมุ่งหมายเพื่อให้เรามาทุกฟรีๆนะแต่คนไม่ฉลาดเนี่ย ทุกฟรีฟรีคือทุกปวดร้อนเหนื่อยแต่ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยอันนี้เราว่าไม่ฉลาดคนฉลาดเนี่ยจะไม่ยอมทุกฟรีฟรีแม้จะปวดแม้จะเหนื่อยแม้จะเมื่อยโอ้แต่ว่าได้ค้นพบธรรมะในใจได้ค้นพบศักยภาพในจิตใจของเราได้ค้นพบความสงบเยน็นิในจิตใจหรือได้พบความจริงว่า ใจนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐคนฉลาดเนี่ยของหายโทรศัพท์หายแต่ว่าได้ธรรมะคือได้แง่คิดว่าต่อไปจะต้องระมัดระวังไม่ประมาทวางของเป็นที่หรือว่าได้ฝึกปล่อยวาง่คอยหาของของหายก็ดีได้ฝึกปล่อยวาง เพราะทาไม่ปล่อยวางจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ได้เสียแต่ของนะใจก็เสียด้วยใจเสียเป็นวันเป็นอาทิตกลุ่มใจเศร้าใจเสียใจท้านั้นไม่พอนะพอกลุ่มมากมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียสุขภาพอีกนะรือถึงแม้ไม่เสียสุขภาพแต่ว่าพอกลุ่มอกกลุมใจหมกมุ่นอยู่กับของที่หาย ไม่มีกระจิกระใจทำงานเสียงานอีกแล้วพอมุดหงิดมีเพื่อนมาหยอกมาเลาะ ก, ก็โมโหล <c oughs> โกรธง่ายด่าเข้าไปเสียเพื่อนอีกคนหนึ่งทำได้อย่างมากก็ขโมยเอาโทรศัพท์เราไปโกงเงินเราไปแต่เสียใจเสียเพื่อนเสียสุขภาพเสียงานนี่ ไม่มีใครทํานะมีแต่เราทําตัวเราเองนะเพราะว่าวางใจไม่เป็นเพราะไม่ฉลาดในการรักษาใจนะถึือแม้จะเียนเก่งแค่ไหนนะได้ปริญญาหลายใบยนะแต่ถ้ารักษาใจไม่เป็นก็อาจจะค่าตัวตายหรือว่า ไปทำร้ายคนอื่นได้เรียกว่าความรู้ท่วงหัวหตัวไม่รอดต้องติดคุกติดตารางเพอไปทำร้ายเขานะความรู้ท่วงหัวหตัวไม่รอดเนี่ยเพราะว่านะลืมลืมความรู้หรือไม่มีความรู้เรื่องใจในะความรู้เรื่องใจเนี่ยมันอ่านเอาก็ไม่ได้นะฟังเอาก็ยังไม่ดีต้องปฏิบัติ แล้ปฏิบัติต้องปฏิบัติกับของยากนะถ้าเจอความสะดสบายนี้ใจนี่แย่ลงนะพอไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยกับโง่กับหลงได้ซ้ําแต่ถ้าเราได้มาเรียนรู้กับอุปสรรคความยากลําบากความเจ็บความปวดเนี่ยใจเราจะใจเราจะฉลาดนะใจเราจะมีคุณภาพนะเพราะนั่ให้เราถือว่า อุปสรรคความยากลำบากนี่เป็นของดีนะให้เราพร้อมนะพร้อมรับพร้อมเผชิญเจอทางยากเจอแดดร้อนเจอหินแหลมแทนที่จะกลัวแทนที่จะวิตกนะบอกตัวเองเลยว่าทนได้สบายมากซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือขวาทนได้ซ้ายสบายมากก็ได้ หรือถ้ายังไม่พอก็บอก ไ, ไปเลยว่ากูไม่กลัวมึงกูไม่กลัวมึงบริกรรมเป็นคาถาไว้กูไม่กลัวมึ ง, รรม ไ, ม ไ, มมงไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนนะจะเป็นทางไกลกูไม่กลัวมึงนะแล้วพอใจสู้นะรอจะรงสุดเลยโอ้มันมันมีกาลังขึ้นมาเลยนะคาถานี่ก็เอาไปใช้นะ ซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือว่ากูไม่กลัวมึงก็ได้เอาล่ะก็พอสมควรนะสอบเช้านี้เตรียมกลับครับ